อ, อย่างนี้ก็เรียกบางกลุ่มเขาเรียกสมถายานิสนะัยมีสมถะเป็นญาณเข้าใจไหมเขาก็มุ่งมันทำให้จิตสงบเกิดความตั้งมันแต่เขาเข้าใจแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าถ้าไปดูในมหาเวทราสูตรเนี่ยในฉนั น, นก็อธิษฐานท่านจะบอกไว้เลยบอกว่ า, เ, วาเจริญฌานที่มีวิปัสสนาเป็นบาทก็แปลว่า คนที่จะทําฌานจิตตรงนี้ให้เกิดขึ้นมาแปลว่าเขาเข้าใจวิปัสนาเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าไม่เคยเรียนรู้เรื่องวิปัสนาไม่เคยเรียนรู้เรื่องขันธน์ธาตุอรยธรรมสัจใจอินทร์ปฏิจจารเรือแต่ไปทาําฌานยุ่งแล้วแต่ในศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะคําสอนของพระเจ้านี่นะแปลว่ากลุ่มภิกษุภิกษุณีวาสกุกและวาสิการในศาสนาถ้าท่านจะเดินเข้าสู่การวิจัยกรรมฐานอย่างจริงจริงจริเนี่ยแปลว่าข้อมูลนั่นเต็ม แปล ว, ว่าท่านจะเดินขล่องจุดไหนท่านเดินตรงนั้นโดยเฉพาะท่านบอกไว้เลยนะเดินนี่ก่อนนะในสูตรหนึ่งเนี่ยบอกว่าที่จะบรรลุได้สะดวกและได้เร็วได้คล่องแก่วที่สุดคือมาสายชานก่อนก็แปลว่าอะไรนะับกิเลสไม่ค่อยรอบกวนคือมาจากพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือทาําให้จิตสงบเนะ่ย พอจะตสงบเบ็ดร็จแล้วนะ่ะถอยออกจากความสงบแล้วมาพิจารณาสายนี้ค่อนข้างกิลเลสไม่ค่อยกวนเยอะแต่ถ้าไปแบบโดดๆเลยเนี่ยนะประเภทที่มานั่งวิจัยนั่งคิดอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเจอกิลเลสรูไหมใจมันไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไหร่ใช่ไหะไม่ค่อยหนักแน่นแต่ถ้าอย่างนี้ก็เรื่อความมุ่งมั่นเขาดีกว่าเรื่อเป็นเงั้นจริงนะถ้าเกิดว่าถ้ามาแบบว่าประเภทที่ ทำจิตให้สงบก่อนเนี่ยตั้งมั่นก่อนเนี่ยนะแล้วก็มาวิจัยทีหลัง<ม>เขาไปได้สะดวกแล้วไปได้เร็วอันนี้มีกล่าวไว้ด้วยแปลกไหมอ่ะอย่างเราเเนี่ยลองไปนั่งนี่นกามาราคะนะพยาบาททีนามิท้าอุทธจากูปุจาวิจิตริสาเต็มไปหมดนี่อืดัหยจิตแบบนี้เป็นจิตที่อ่ดมากไ ม, ไม่ไม่แข็งแรง แล้วถูกชักจูงได้ไง่ายคือพวกกางมาพู น, นชักจูงหน่อยเสียงลูกร้องหน่อยก็ไม่ยืนมีกรรมฐานไม่เดินใช่ไหมเอางี้นะพราขนาดเรียนทำไมยังต้องเปิดโทรศัพท์เลยใช่ไหมเนี่ยคือกลุ่มที่สมาธิไม่ค่อยตั้งมัน่นมันมันยังกังวลอยู่คือมันยังสงสัยเรื่ต้องคิดดูดิเกิดมาตั้งนานยังสงสัยเรงวัตถุกรรมอยู่มันสงสัยว่าจะได้ดีอยู่เลยสังเกตไหม บางคนบางทีจะตายจะเข้าลงอยู่ในยังสงสัยว่าตัวเองจะรวยอยู่นะ <c oughs> กอยังมุ่งมุ่งหวังอยู่นั่นแหละใช่ไหมโอ้เป็นเรื่องแปลกมากขนาดกลุ่มที่เรียนธรร ม, มานี่นแหละมันถึงบอกว่าทั้งๆ้งที่มันจะไปไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยก็ยังพยายามกะ ว, ว่าจะชีวิตนีต้องพุ้กสักครั้ง <c oughs> <c oughs> จะพกโอ้ประหลาดจริงขนาดนั้นเลยเนะี่ย ถึงบอกว่าบางทีเรามาศึกษาพระธรรมาที่เราใจเรายังรนเลยมากเพราะอะไรสมาธิไม่ดีคนที่สมาธิไม่ดีบ่งบอกถึงเอกคตาจิตไม่ชัดจิตตาที่พอดไีไม่แข็งแรงความมุ่ง ม, มั่นไม่ตรงแต่คนที่เขาได้ฌานมาก่อนนี่นะแล้วก็มามาเดินวิปัสสนาเนี่ยเขาจะกันกิเลสอย่างหยาบได้หมดเลยเพราะว่านิวรนทั้งหลายจะไม่มากุ้มลมเขาแล้วเขาวิจัยเพื่อจะล้ะนิาสัยอะ่ะกิยรติของเขาด้ยนั้น ก็ถอนเนะเพราะว่ากรณีที่ว่านิวรณ์ทั้งหลายถูกละด้วยวิคัมพระนประหารหมดเลยมีการมาฉันทาเป็นต้นนั้นเวลาเขาจะถอดในการที่จะมาวิจัยอนุสัยยกกิเลสมีการมาลาคานุสัยเป็นต้นหนี่ยก็ปัญญาก็ทํากิจได้เต็มที่ไม่มีอะไรมารบกวนทํำให้เขาเสียใจหรือมาเฟ่อะไม่ทําอะไรให้เขาเฟ่อะนะทั้งนี้อย่างเราเนี่ย โ, โหรุนแรงมากเอาเพลงยน่ริงนไหม อย่างยังเร า, า, าท่านทั้งหลายเนี่ยความกังวลเยอะมากไหมการการมาคุณแหละพะยาบาทเยอะไหมหมุดหงิดบ่อยไมอ่ะทีน้ําม่ท่าละ่ะแรงไ ม, ไมแรงแรงเนาะอุทจารภูกุจักภูงซานนี่นะวิจิจิชาลังเละจะเอาจริงก็ไม่อาจริงเห <c oughs> ยียบเหยียบทางสองข้เอาหรือไม่เอาแน่เดี๋ย <c oughs> รังเรนไหมมันมามาเท้าหนึ่งข้างหนึ่งมาแล้วนะอีข้างหนึ่งเอ๊ยยังสงสัยแต่นี้อยอมไหมความรังเรนและความสงสัยเป็นนี่กตกตดวประมาทอย่างนี้ตรงนี้ไม่กล้าไม่กล้าดิ่งเลยนะอ๋อ ในขณะที่เขาเขาเข้าใจนะถ้านในพระศาสนานี่แปลว่าท่านท่านต้องมีความเข้าใจในเรื่องนามรูปอย่างดีแล้วเข้ามาเจริญก็มันจะต่างกันกันกบคนที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนให้ชัดเจนเวลาเดินสมาะก็เดินแบบประเภทที่ไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่รู้เรื่องในที่นั้นแต่ว่าวิปัสสนาญาณไม่ไปด้วย <c oughs> ในสุดจริงความเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้เจริญเต็มไปหมดเลยความถ่ายถอนอะไรก็ไม่มี ถึงเป็นอันตรายไงในสุดจริงๆพอไปได้ฌานสมาบัติก็ไปติดไปติดอยู่กับสุขใช่ไหมไปติดอยู่กับปีติไปติดอยู่กับในเรื่องของสมา น, นะไปติด ก, ออ ก, กับเอากับตาไปติดกักความสงบเพราะสำคัญว่าเราเป็นผู้สุขเราเป็นผู้สงบแต่ถ้าคนที่เดินวิปัสสนาจนคล่องแคล่วแล้วเวลาสมาทําได้ฌานสมาบัติเสร็จ เ, เนี่ยสุขเวรน า, าเขาชัดเขารู้เลยเนี่ยโอหสุขเวรน า, าที่แนบแน่นเนกัน ที่จริงก็คือสภาว่าทำอย่างหนึ่งเท่านัา้นไม่ใช่สัตวบุคคลนะความเข้าใจเขาก็ถ่ายถอนได้เร็วนั้นถ้าหากว่าคนทีไ่ไม่มีความรู้ในเรื่องของวิปัสนาอย่างดีนี่นะหรือไม่ได้เดินวิปัสนาในชีวิตจริงก่อนนี่นะแล้วไปเดินสมถานี่นะไปติดอย่างนี้เลยแล้วในส่วนจริงเลยไปสําคัญว่านั่นแหละบางคนจะติดสองปีสามปีบางคนติดหกสิบปีอะแล้วสําคัญว่าเป็นเป็นมรรคผลแล้วถึงขนาดประกาศเลยตนเองเนี่ย หมดกิเลสมาหกสิบกว่า ป, ปีแล้วเกนลูกศิธิ์ที่เป็นป้ารห า, รานต้องไปถ่ายถอนนี้เป็นต้นเยอะแยะหมดอันนี้ก็บางท่านนี้ได้สมาบาัติเหาะได้อะไรได้ทำอิทธิฤทธิได้แต่ก็คือปุถุชนเห็นไหมโทษต้องการเดินวิปัสสนาไม่คล่องแล้วไปไปเล่นฌานเนี่ยก็เป็นโทษอีกติดฌานทันดีเลก็ถึงบอกไงบอกว่าเราเนี่ยถ้าเดินวิปัสสนาไม่แข็งแรงแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ย อันมาใช้คำว่าวิบัตนะิเยอะมีโอกาสวิบัติสูงก็ไปติดใช่ไหมคือไม่เคยเห็นโทษของเวทนาที่มันละเอียดเลยอะ่ะแล้วเราเคยเสวยมาแล้วในสังสารวัตแต่พอไปอยู่ก็ติดก็ลืมลืมทุกคนอยู่เนี่ยอย่างสุกวันคนที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ที่สุดนี่นะถ้าสมมติกุศลนั่นส่งจากการดูแลพ่อแม่ไปต้พอตายไปเกิดเป็นเทวดานะลืมพ่อลืมแม่เลยอะ่ะ ลืมเลยนี่คือบุรุชนลืมหมดแล้วฉะนั้นั้งบอกว่าเวลาเราได้สภาพที่มันสุขที่สุดเนี่ยเราลืมทุกอย่างทุกอย่างอันนี้ก็ลองคิดดูว่าสมาบัตินั้นอะละเอียด ก, กว่าความสุขในกามาภูมิมันจะสุขขนาดไหนอ่ะ ถ้าเดินนี้ปั ส, สนาแบบไม่แข็งแรงเลยเนะี่ยถ้าไปได้สมาบัตสักสมาบัตนะถามว่าไม่ติดได้ไงหลายหลายคนเข้าใจว่าโอ้ยตนเองหมดกิเลสแล้วแล้วมันจะโล่งมันจะเบามันจะอิสระมันจะมีความสุขมากจิตจะเป็นหนึ่งมากในโลกนี้เอาอะไรไมาให้ไม่เอาแล้วแล้วแค่ตนเองได้ขออยู่กับสมาบัตินี่ก็มีความชื่นใจแล้วมีความสุขมากเบื่อนหน่ายทุกอย่าง เอาเบื่อหน่ายแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วแต่เราต้องการอยู่กับความสุขกันเนี้ยความสุขกับความใส่อะไรของเขาเนี่ยนะใส่เราไปชื่นใจแล้วเกินเนี่ยไม่ไปต่อแล้ไม่ไปแล้ว ม, มันก็ติดอยู่งั้นแนหะแล้วก็ไม่รู้ว่านั่นแหละคือเป็นสมมนาที่อาศัยเรือนอาศัยกรรมมาคุณอาศัยตัณหาก็ติดอยู่อย่างนั้น เขาใหญ่ไหมแล้วก็แล้ก็พราจริงๆถามาว่าเบื่อนายท่าเองก็เบื่อออกากการก็ออกเห็นโทษก็เห็นท่นเองได้ความสุขแล้วสุขอันนี้แหละเป็นสุขที่ถาวรเป็นสุขที่มั่นคงสุขเนี้ยสุขอื่นมากยิ่งกว่าสุขนี้ไม่มีนี่ไงนิพานเกาจะยังยังมีพวกทิฏฐะธรรมานิพาน แต่ที่จริงแล้วอะไรไปฉาบอยู่ตั้นหามาหน้าทิศทิไปฉาบแล้วมีความสุขแล้วผองใสไหมผ่องใสถ้าคนได้ชาระดับปฐมฌานเบตุนมาประกาศพระธรรมสมัยนี้มาถ้ามาเนี้ยหนีอาญาไม่หมดไปป่าหมดแล้วแค่ไปอยู่ใกล้ๆก็ชื่นใจอ่ะคนที่มีสมาบัติเนี่ยก็ในยุคไหนยุคเออินเดียเนี้ยรู้สึกเป็นยุคสังกาลาฌานมั้ง ยุคหลังๆมาเนี่ยที่บอกว่าแต่งตัวก็เซื้กซอก็เสิ้อไงแต่สมาบัติก็ได้ชั้นสูงใจเป็นพรามด้วยตอนนั้นเล่นพุทธศาสหนาสุดเลยในเดียเห็นไหก็ตอนนั้นระดับไอคนก็ไปนี่ตาอยากจะไปพิสูจน์ไอคนคนค น, นี้ว่ามีว่าเป็นยังไงแต่งตัวก็มอมอมามใช่ไหมไม่กินอาหารเป็นสี่วันห้าวันเป็นสิบวันนั่งอยู่เฉยๆอะไรได้เพไปอะ่ะ ก็อยากจะไปทดลองความรู้หน่อยจะไปเนี่ยนักศึกษาเกี่ยวกับระดับคูบาจารย์ทั้งหลายที่เขาชนานาญต่างๆเนี่ยก็ไปพย่าปากถามแค่นั้นแหละแกบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับพลังแม่เหล็กถูกดึงดูดบอกจากที่เคยทุกความกังวลเรืงต่างก็มีใกล้เห็นหน้าท่านคนเนี้หายเกลี้ยงเลยว่ามนียเอาสิ ในส่วนจริงๆอ่ะยอมซิโร่แ ล, ล้ไม่ต้องถามปันหาเลยแค่เห็นหน้าก็นอบถือแล้วแต่ท่าพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนคนที่มีระดับสมาบัติเนี่ยถึงแม้เป็นมิจฉาสมาธิ่นี่แหละเห็นไหมเรียบร้อยนี่ไงสมนาติอาศัยอาศัยเรือนึ้าจริงๆไปกันเนี่ยขมมะของเขาเนี่ยลไปกันในเรื่องของปฐมชาญเป็นต้นใช่ไหม แต่ด้วยตันหามานาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิของเขาเนี่ยในส่วนจริงเาก็เห็นไมบางคนก็โด่งดังได้ไอ้ตรงนั้นก็แต่ในในวาสนาของเราไม่ไม่ได้พรหมไหมถ้าเขาเป็นปฐมฌานเป็นต้นเขเกิดเป็นพรหมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าไปโปรดใช่ไหมท้ามหาพรหมที่มาจากอภัสราพรหมถ้าเราไปดูในพรหมฌารสูตรเนาะ อาพาระสาพรมเนี่ยท่านตาจากพระสารพรมแล้นี่ท่านท่านยังบัณฑงวิชาได้ตั้งขึ้นแล้วในส่วนจริงท่านมาเป็นเท้ามหาพรหมนี่การเป็นเท้ามหาพรมเนี่ยโยกก็ยืนยาวใช่ไหมยืนยาวอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ก่อนพรหมเนี่ยจะขึ้นมาเกิดคนเดียวนี่ยนะนะกข้านักข่าก็มีความคิดเพราะเกิดมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วเนี่ยนะจนนึกอดีตไม่ได้แล้วในส่วนจริงนี่เรามายัางไงกันนึกไม่ออกแล้วลืมแล้ว ได้จะไปยังไงก็นึกไม่ได้หนึ่งอายุที่อายุที่หมดไปก็ไม่ทราบสองอายุที่เหลือก็ไม่รู้เพราะด้วยความที่กําลังสมาบัติตัวเองกําลังของพิญญาก็ยเองมีกําลังอยู่คือมันมีขอบเขตเพราะการที่ตนเองยังละตัณหามาหน้าที่ถิละโมหะไม่ได้แหละสมาบัตมีจริงอพิญญามีจริงท่านก็ออกมาเป็นคนตาบอดไอ้คนตาบอดนี่ไหมมันก็มีข้อจํากัดอยู่อาศัยไม่เท้าก็ไปได้ถ้าไม่มีไม่เท้าเดินไม่ได้เงี้ยเป็นต้น นั้นสมาบัติของพวกไพและลัที่ทั้งหลายก็เหมือนคนตาบอดเนี่ยนะระลึกได้อย่างดีก็ไม่เกินสี่สิกรรบเนี่ยนะนั่นก็ระลึกระลึกได้ในอดีตอนาคตแต่จํกากัดมากระลึกอดีตได้กลุ่มนี้แต่อนาคตระลึกไม่ได้แต่ก็หมดเลยก็เห็นตัวเองเกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยนะในส่วนจริงว่าเราเนี่ยเราเนี่ยในส่วนจริงกันนึกว่า อ, อน่าจะมีเพื่อนพอคิดว่าน่าจะมีเพื่อนเนี่ยพรหมบริสัชา พเพราะมา่ปรโหยตาก็ปรากดขึ้นนี่นะในส่วจริงๆก็เลยไปสําคัญว่าเออเนี่ยพอตอนเองคิดออพอตอนเองคิดปุ๊บเนี่ยนะคิดไม่นานเลยก็มีคนอุบัติเกิดขึ้นมาชฉลยว่าเรานี่คิดอะไรคงเป็นอย่างนั้นต่อมาก็เริ่มคิดอะคิดก็เกิดขึ้นมาเรื่อยเลยแท้จริงออกมาจากกรรมของเขานี่แหละเหมือนคนบางคนที่บอกว่าพีพอเราคิดปุ๊บไปก็ไปเจอคนนั้นจริงๆเออความคิดของเราอย่างเงี้ยไปต้นเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ย ในส่วนเจียก็กลายเป็นพวกนี้เลยนะข้าวนะข้าวอี้พวกที่เกิดมาที่หลังเรอี้เรามา่ง่ะนึกไม่ออกอีกก็เลยสําคัญว่าท่านคนนี้อยู่มาก่อนเก่าที่ท่านคนนี้คงสร้างเราแน่นอนก็เลยสําคัญว่าท้ามหมาพมเป็นผู้ชาสร้างที่ต่อมาพวกพรหมบริษัทชาพรหมปริยตาตายมาเกิดเป็นมนุษย์ทําชาสมาบัติเ ล, ลือกชาติได้เอ้าก็ยังเห็นท้ามหมาพมอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนไอ้ตอนเองไม่เที่ยงแต่เท้ามหมาผมเที่ยงเท้ามหมาพมเป็นผู้สร้างก็เลยสําคัญเลยเห็นไหม เนี่ยถ้ามหาพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งแม้ถ้ามหาพรหมเองก็สํำคัญตัวนี้เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพราะรมศาสดาตริย์เคยไปนะไปหาพรหมพวกนี้แล้วก็ถามในส่วนจริงก็ในในในในในในพรหมมาสังยุตในพรหมมาสังยุตในสังยุตในนิยายก็ไปในส่วนจริงก็ถามไปถามมาจำนนถ้ามหาพรหมเนี่ยนะท่าน องบางองคเนี่ยท่านเข้าใจถูกไปแล้วท่านไม่ใช่เป็นผู้สร้างหรอกเพราะท่านระลึกไม่ได้ท่านระลึกได้แค่นั้นฉะนั้นในกรณีที่ถามบอกว่าในกรณีที่ไม่เข้าใจในวิปัสสนาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนีย่ยไปก็เป็นแบบนี้เป็นพรมที่เข้าใจผิดสําคําแล้วเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งการานั้นที่ได้ฟังถึงขั้นมีฌานแล้วก็จะต่อโดยมีปัจฉนาเป็นแบบนี้ต่อต่ออย่ก็ <Monate> นั่นแหละอาวิโตกวิจารปิติสุขเวทนาเอกกตานั่นเลยทีนี้ถ้าหากกลุ่มที่เจริญเวทนานุปัสนาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยเท้าสการพระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดเวทนาก็คือว่าปฐมฌานเป็นสมณะเวทนาแล้วก็รรมที่เกิดร่วมกับเวทนานะแปลว่าหนึ่งกรณีการจะเจริญวิปัสนาก็ถอยออกจากฌานพอถอยออกมาจากฌานถามว่าทําไมต้องเข้าฌานก่อน ไม่ต้องเข้าฌานจะริ่มนิพพานได้ไหมแต่จริงๆที่ท่านเข้าฌานเพื่อเพื่อต้องการจะสงบระงับพวกบาปอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายพอบาปอกุศลธรรมอันลามกนั้นสงบท่านถอยออกมาการถอยออกมาของท่านเนี่ยจิตของท่านมีความสงบมากแล้วก็ใจของท่านไม่ถูกไม่ถูกพวกการ ม, มาฉันทาพยาบาทีนมิทากุ้มลุมเลย ฉะนั้นมิปัสนาของท่านจะเดินได้เร็วมากและคล่องมากเวลาท่านเดินสัมมาทิฏฐิสัมมาวิมารสัมมาสติในการที่ไปวิจัยตัวเวทนาแล้วก็ธรรมที่เกิดร่วมกันกับเวทนาใช่ไหมโดยเฉพาะโสมนัสเวทนาในปฐมฌานแล้วก็วิจัยวิตกวิจารท่านก็เข้าใจว่าเนี่ยฌานนี้มีวิตกและวิจารมนตัวเราเนี้ยนะในปฐมฌานและธรรมที่เกิดร่วมสรุปคือกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่อยู่ในฌานนี้ยอาศัยอะไรเกิ เห็นไหนั่นส่วนหนึ่งท่านก็พิจารณาและเข้าใจได้โยว่าโอ้ชานเหล่านี้มีอะไรเป็นอารมณ์ชานเหล่านี้อาศัยอะไรเกิดอ๋ออาศัยหาทะเยวัตเกิดเอาหาทะยอวัตอาศัยหมาพูดหมาพูดเกิดจากกรรม ก, ก, ม ก, ก็มีเกิดจากจิตเกิดจะกอุตูเกิดจากอาหารอ๋อกรัชกายนี้เป็นรูปธรรมนามธรรมคือสมนัติเวทนาเป็นเวทนาขันวิตกวิจารเป็นสังขารขันเป็นต้นมีผัสสะมีเวทนามีสัญญ า, ม, ญญามีเจตนามีจิต อ๋อกลุ่มนามรรมาทำเหล่านี้คือนามคือกลุ่มเกี่ยวกับอรูปธรรมท่านพิจารณาเห็นลูกเห็นนามเหล่านี้เพิ่มความเป็นสัตว์บุคคลได้เข้าใจชัดเจนน่ะนั่นเขาเรียกวิปัสสนาธรรมกิจอยู่และในส่วนจริงท่านก็เห็นปัจจัยของนามและลูกเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เห็นว่าปัจจัยของนามและลูปไม่เที่ยงแต่ก่อนไม่มีเลยนะรสมจารนเนี่ยโสมนัสเวนะมาบันดนี้ก็มีขึ้นเพราะได้เห็นได้ปัจจัยก็มีแต่หมดเหตุหมดปัดจจัยก็ดับได้เนี่ย ในความเข้าใจของท่านก็เริ่มชัดอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะก็ปรากฏในส่นจริงท่านก็ทายทอดแล้วก็เห็นเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาเห็นโทษเห็นความคลายไปดับไปเสื่อมไปสลายไปในส่นจริงท่านก็ละฉั้นทาราครับก็เป็นพระดาหันเป็นต้นไหรือเป็นพระโสดาบันไปดนต้นใช่นั้นท่านก็มาจากสายชาแล้วก็ใข่ทวนรได้ในลักษณะอย่างเนี้ย ถึงบอกว่ากรณียิ่งง่ายถ้าคนก็ได้ฌานแล้วก็เข้าใจคําสอนเนี่ยแล้วใช่ไหมเพราะว่าการเดินนิพพานเขาเนี่ยไม่หนักไม่หนักใจเหมือนกลุ่มที่จะต้องฝ่าดงงีเนี่ยฝ่าดงไง ก, กากรรมคุณเนี่ยกรรมคุณนิ่มน่วงเหนียวหนักมากมันมันล้างไม่ให้เราอยากไปอะ่ะเฉะั้นคนที่มีกรรมคุณหรือไม่ค่อยถอนตนออกจากพวากากรรมกรรมราคปฏิฆะเนี่นันไม่ท้อุททจา ก, กูกุจาเนี่ย พอศึกษาพระธรรมก็มีข้อจากัดแต่ลองสงบระงับเขาได้นเหมือนที่อาจาาบอกว่าลองที่เปิดเทปพระธรรมลองฟังยืนฟังเดินฟังบ้างนั่งฟังบ้างฝึกปฏิบัติแบบนี้จนไม่พาดจิตออกไปจากคำสอนได้เลยถ้าใครทำได้อย่างนั้นนะเริ่มจากหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเริ่มสามชั่วโมงหนักเข้าถึงห้าชั่วโมงได้นี่นะไม่ธรรมาดาแล้ว ถ้าเจ้าไปดินในสมัยลังกาเนี่ยใช่ไหมท่านยืนฟังสิบสองชั่วโมงนด้ยืนฟังสิบสองชั่วโมงเอาลองไปองทดลองหน่อยคืนนี้กลับไปเอาหนึ่งชั่วโมงอแล้วก็เพิ่มพัฒ น, นาไปจะเป็นสองชั่วโมงบ้างเป็นสามชั่วโมงบ้างเริ่มฝึกกันบ้างเนี่ยได้บ้าง ไ, ไห ม, มีใครไปฝึกบ้างไหมเนี่ยลองพูดให้นาชื่นใจ<ห>บ้างดิฟังท่าไหน ยืนฟังเดินฟังไม่นั่งฟังอาจารย์เขาไทบเดดอก็่เอโอหีบดนอนอ๋อโอ้โหฟังเนี่ยแล้วหลับไปกี่ครัง <c oughs> ้งแล้วไปตรเนี้ยนั่นแหละฝึกไปแบบนี้เรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็กามาคุณอน่ยเยอะคือเนี่ยพวกนิวรนทั้งหลายไงก็การมาฉันท้าบ้างปยาบาทบ้างถีนมีท่าบ้างอุทะจ่าบ้าง วิจิตรช้าบ้างตรงเนี้มันคอยล้างตลอดพวกเดินเดินสมวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยจะมีปัญหาพวกเนี้ยตามมาเยอะแต่ถ้าหากว่าถึงแม้ไม่ได้สังสมบัตินะเอาอุปจาระเป็นฐานให้ได้เช่นเดินพุทธคุณจนช่ำชองเดินธรรมคุณสังคคุณเดินเมตตากรรมฐานเรื่องต้นนี้นะจนจนช่ำชองจนได้อุปจาระอันนี้ก็สงบนิวรณ์ได้ อันนี้ระดับสงบนิอ่อนได้ระดับหนึ่งอย่างนี้ก็เดินวันาก็สะดวกแต่ถ้าไปสายวิปัสนาจ๋าเลยเนี่ยโอ้โหเบื้องต้นเนี่ยยากหน่อยแต่ว่าเมื่อผ่านไประดับหนึ่งง่ายเมื่อผ่านไประดับหนึ่งนะจนช่ำชองลเลยนะเช่นวิปัสนาเนี่ยเดินได้อย่างช่ำชองเพราะว่าสมาธิที่สั้นเนี่ยไม่ค่อยเกื้อกูลกับการเดิ น, นดวันานี่ยอะๆ กำลังใข่ควรไปอยู่นะเข้าวักไปเรื่ อ, อยอื่นีลไปซะยาวลืมเรื่องทั้งนานตรงเนี้ยอ้เนี้ึงรื่องสมาธิไม่ค่อยดีสติอ่ะนะสติก็ทํากิจไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าเดินจนเป็นอัธยาสัยแล้วนะถึงแม้จะเดินเหมือนกลุ่มนี้ปัสนาเนี่ยแหละแต่ก็ยาวเดินได้ยาวนี่จะสะดวกมากและ ว, วิจัยอะไรชัดคือแต่ละสูตรเนี่ยให้คิดอย่างเนี้ยนะ ถ้าใครจําสูตรได้ยาวๆนะสามารถตรึกในสูตรได้โดยไม่ต้องสาธยายออกมานี่ยนะตรึกได้ทะลุทะลวงเลชัดแล้วเก่งแล้วแต่ก่อนเนี่ยมาฝึกฝึกแบบฟังอ่านอ่านพระสูตรใช่ไมก่อนนี้ยนะอ่านพระตไตรปิฎกหรือสาธยายไปเรื่อยๆจบสูตรจบสูตรจบสูตรหลายสูตรต่อกันสักสามสี่ชั่วโมงอันมาก็ใส่เทปเลยแล้วมาฟังเองเลยนะเพราะไปฟังของคนอื่นที่บรรยายมาที่ผิดบ้างถูกบ้างใช่ไหม เราขี้เกียจไปแยกแยะแล้วเป็นบาปกระจายเราด้วยน้ามาเอาสิ่งที่ถูกที่สุดนี่แหละที่เราในพระไตรปิฎกนี่แหละอ่านเข้าไปเลยหรือในเดี๋ยวนี้ามาก็เอาที่ตนเองบรรยายถ้าไม่จะไปเชิญชมตนเองเนะน้ามาไม่ใส่ใจเราคอยบรรยายถูกของใครก็ามาก็เอาฟังขอให้บรรยายถูกพระธรรมน้ า, ามาก็ฟังแล้วก็ฝึกฟังหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงในสาวียบทยืนเดินนั่งยืนเดินนั่ง เดินก็เดินให้ไม่ใช่รีบๆเดินนะเดินช้าๆนะเพราะเรารู้ว่ามันจะง่วงก็ก็ก็เดินแล้วก็พอหายเพียหายนั่นหน่อยก็นั่งไปงแล้วพยายามที่สุดก็คือจิตไม่ให้พากหลุดบ้างตั้งใหม่หลุดบ้างตั้งให ม, หหม่ไม่เป็นไรไม่ใหม่หกล้มเป็นเรื่องปกติเพียงแต่เราลุกขึ้นเดินใหม่หได้ไหมแค่นั้นเองการล้มไม่แปลกถ้ามันไม่ล้มเลยมี่ผิดปกติยังไงเราก็ตั้งใหม่ตั้งนี่ยังไงฝึก นี่นี่ี่เรานี่เราไม่เคยฝึกกันแบบนี้เลยแล้วความจําก็ไม่ดีต่อไปถ้าไม่ฝึกแบบนี้นะน่ะเขาก็จะเลอะเลือนใจเราก็จะไปทางอื่นเยอะบอกแวกเยอะงั้นะแต่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้สมองมันยังไม่ฟอเนาะเล้๋ยวต่อไปฟอแน่นอนไม่มีทางคนจะไม่ฟอทุกคนฟอหมดเลยแล้วก็สมองก็จะฟอลงปอลงนะ่ะก็จะจําอะไรไม่ได้ตรงนี้มันได้ความเข้าใจจากการฟังไปเลยมันเป็นประโยชน์ยังไง ถึงแม้ไม่เข้าใจเลยก็ปฏิบัติได้เพราะเราฟังตามไปเห็นไหมมันจะวางใจถูกไปตามนั้นไปด้วยอย่างเนี้ยโอกาสเสี่ยงน้อยที่สุดดีกว่าเราไปนั่งคิดเอาเองผิดบ้างถูกบ้างที่ยังไม่มค่อยมีข้อมูลอันนี้เราใสาพ่พระธรรมเห็นไหมที่เรามั่นใจแล้วก็เราฟังใขรควรดีแล้วเราก็ใสยพระธรรมนั่นแหละเป็นแนวทางในการตั้งหลักแล้วก็ฟังไปเลยลก็ฟังแล้วก็ตอนนี้นต้องปิดนะดติดอะไรต่างๆหมดเลย เราต้องการจะมานัดจัด ก, การฟังจริงๆก็ก็ตัง้งทาเคยทำไหมแบบเนี้นั่นแหละต้องทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้โอกาสโอกาสโอกา ส, โอกาสถูกสูงมากอะไรนะใช่ก็ฟังตามไป ฟังไปเรื่อยๆเพราะว่าเราใสามีพระธรรมนําอยู่แล้วใช่ไหมโยมที่มาถ้าไปนั่งคิดคนเดียวเนี่ยถือเผืออะไรไปทั้งนานเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ตัวเนี้ยจะมีเสียงกระตุ้นตลอดเสียงกระตุ้นตลอดนักเข้านัาเข้าเพราะเราชํานาญตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็อย่างอื่นจะคล่องมากแล้วเวลาเราออกมาข้างนอกตัวเนี้ยฟังอะไรปั๊บเนี่ยมันเป็นอัธยาสัยอะ่ะเข็นอะไรปั๊บเนี่ยความเข้าใจจะไม่ต้องบอกเลยตัวเนี้ยแล้วมันบางทีอธิบายคนอื่นฟังไม่ได้แต่เรารู้เราเข้าใจอะ่ะ จะเปยไงนั้นอย่าไปใส่ใจขอให้เราเข้าใจใช้ได้แล้วบางครั้งเราอาจจะธิบายไม่เป็นก็ได้แต่ว่าฟังแล้วเข้าใจเรารู้จะเดินยังไงจะไข้ควรยังไงอันนี้เขาเรียกปัใจจัยในการฟังเ่ะเป็นประโยชน์เยอะมากสมัยเขาปฏิการเนี่ยคนเขาบรรลุจากการฟังเยอะนับไม่ได้แต่เราไม่ได้ตั้งหลักแบบนี้มาแค่นั้นึองเรืเร่องไม่ได้บรรู้จากการฟังตั้งหลักไหมตั้งหลักไหมก็ เวลาฟังครั้งเดียวเนี่ยบางทีลืมจำไม่ค่อยได้โดยใช่ไหมก็ฟังใหม่ฟังใหม่และเคยถามบางคนก็ฟังยี่สิบรอบไม่เห็นเป็นไรร้อยรอบก็มีเป็นไรนะใช่ไหมก็เหมือ น, อนมาอ่านพระไตรปิฎกเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยที่ไม่เคยอ่านมาแล้วไม่มีแล้วบางทีคนถามอ้อใช้อ่านไปฟังเลอโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจยไหมว่า อ, อ่านไม่รู้กี่รอบเนี่ยอย่างเงี้ย เพื่ออ่านอ่านอ่านแล้วก็แล้วต่อไปเราก็เชื่อมโยงได้ดเหมือนคนหบอก<ด>เอาจะหยิบจอรตีเจอโทเจอรเอกมัชิมาตีมาชิมาโทมัชิมาเอกมาเนี่เอามาไปเดาๆเวาเอาฟังว่าเอาฟังเขาเบ้าเนึ้อออกแล้วเนี่ยพราเราผ่านมาการของพระอาจารย์เนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่าทำมาให้เสร็จอารยง่ายเพราะว่าถ้าถ้าไม่ทําอย่างนี้นะถามว่าแล้วแนวไหนอ่ะเราจะไปตั้งยังไง เพราะการมันลูกมีห้าช่องทางเนี่ี่ได้บอกฟังก็ได้ใช่ไหมสาธยายก็ได้ตรึกก็ได้ใช่ไหมแสดงธรรมก็ได้แล้วก็เอากรรมฐานไปไข้ควรถ้าเอากรรมฐานไปไข้ควรเนี่ยเราเดินได้ไปยาวอีกทีไปทําท่าเดินเดินติดขัดติดขัดอยู่นั้นเนี่ยได้ทําไงสถานที่ไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะแต่ฮิ่ในบ้านเรามันเหมาะอยู่อะเราทําช่องไหนได้ทําช่องนั้นไปแต่อย่าให้ใครมารบกวนเราเยอะใช่ไหม ก็เข้าใจคนอื่นเนาะอย่าถ้าถ้าจะมาก็ไปนั่งฟังด้วยกันใช่ไหมสำคัญที่เราเนี่ยบอกว่าฟังฟังแล้วไม่ไหวเบื่อเดี๋ยวขอไปอยู่ก็เราจะออกอย่างที่ต้องฟังเองแค่นั้นนี่เข้าใจดีแล้วความศักดิ์สิทธิ์ น, นั่นตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ ท, ที่ควรจะทําความเข้าใจอันนี้พอจะเข้าใจนะนั่นตรงนี้อาารก็กล่าวในเรื่องของสมณะที่อาศัยเนคขมมะตรงนี้เข้าไว้ ตรงนี้นะในหน้าที่แล้วถ้าไปดูในอัตถกถาหน้าที่ยี่สิบห้าเนาะอาศัยเนคขมมะนี่ท่านกล่าวไว้บุคคลที่มีความรู้ในรูปทั้งหลายว่าไม่เที่ยงแปลปวนคายไปดับไปแล้วก็เห็นรูปนั้นได้ปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้บอกว่ารูปทั้งหลายมาก่อนนะบัดนี้รูปบัดนี้ก็หมดไปแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปลปวนเป็นธรรมดาก็เกิดสมนสมนัตสมมนัตอย่างนี้ก็เรียกสมมนัตอาศัยเนคขมมะ สมณัตอาศัยเนคขมารก็เรียกว่าเสวิตตับพังเนี่ยพึงเสพเนี่ยพึงจะเดินพึงให้เกิดบ่อยๆสมณัติที่เกิดเกิดเนยไดน้าแห่งเนคขมรารด้หนาาของวิปษษัสนาด้วหน้าแห่งการตามลึกอนุสติเนี่ยนะด้อนาตของปฐมฌานเป็นต้นนั้นเครียดให้เสพเถอะสมณัติแบบนี้ดีแต่พึงเข้าใจนะเมื่อไปเสพสมณัติเหล่านี้แล้วเนี่ยจะเนคขมานิสิตานีิสมณัสนีิเนี่ยคือสมณัติที่อาัยเนคขมารหกอย่างหกอย่างคืออะไร ที่เป็นไปในทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโสมณัตเหล่าเนี้ต้องไอคําว่าพึงเสพเนี่ยไม่จะเสพโดยตระหนัมนัสสิทธินะโยนิสมนัสิการสัมมาธิฏฐิสัมมาวิมารสัมมาสตินั่นแหละเอาสิ่งเหล่านี้ไปไข่ควนไปพิจารณาใช่ไหมก็จะได้เห็นไงถามว่าพิจารณาอย่างนี้ถามว่ารูปที่ปรากฏทางทาวารตาอรารมณ์เพราะว่านะ พอปรากฏทางทวารตาปุ๊บรูปารมกับจักขคูประสาทเป็นรูปใช่ไหมเอรูปารมกับจักขคูประสาทเนี่ยแล้วก็เกิดจักขูวิญญาณตรงนี้จริงๆถ้าถามบอกว่าพึงเสพในทีนี้ท่านในพิจารณาบอกว่าจักขคูประสาทไม่เที่ยงยังไงรูปารมไม่เที่ยงเนี่ยโอเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้นะถ้าถามว่า ในขณะที่เห็นรูปวิปัสนาบางแห่งก็จะสอนบอกว่าให้กำหนดนามเห็นใช่ไหมเนีย่ยขัดสติปัฏฐานต้องตอบปัญหานี้ให้ได้ขัดในสติปัฏฐานสู่ในธรรมานุปัสสนาก็ขัดในเวทนานุปัสสนาก็ขัดเอาสิ ถามว่ารูปอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดได้ไหมแล้วทําไมไม่กําหนดรูปจากคระส菩萨เป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดได้ไหมทําไมไม่กําหนดรูปจากครูอินญาณเป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดได้ไหมทําไมไม่กําหนดนามท่านไม่ได้จํากัดหรอกต้องกําหนดนามหรือกาหนดรูปอะไรเป็นที่ตั้งของตัณหามานาที่ถีได้ท่านให้ใข้ควรหมดเลยท่านไม่ให้จํากัดอันนั้นคือในพระไตรปิฎก แล้ในชั้นเข อ, อาจจะคาถาในชั้นของดีกาก็จะเป็นไปแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะทีถ้าหากเราไปกําหนดจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านบุญนั้นจะต้องตอบปัญหาเขาให้ได้ไม่ได้ว่าขัดแย้งกับมาหรอกแต่ท่านไปขัดแย้งกับพระพุทธเจ้า น, นู่นท่านต้องไปตอบพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าทําไมทําไมจึงสอนขัดกับพระพุทธเจ้าต้องไปตอบถ้าเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าจริงต้องไปตอบพระพุทธเจ้าท่านว่าทําไมในฐานะของสาวก ท่าไมไปกล่าวว่าทาขัดแย้งกับพระบรมศาสดาเข้าใจใไหมท่านเหล่านั้นต้องไปตอบพระพุทธเจา้าแต่ไม่ต้องมาตอบพระเจ้ามาเพราะพระมาไม่ตอบเราครับเข้าใจไมเอามาตั้งคำถามให้แคน่นั้นเองท่นอาจารย์นั่นสิ่งบบนี้กาชรชําระนี่มันมาหลายพันปีแล้วเนี่ยมันอาจจะตกก็ได้เมื่อห ม, ม, ม, มารู้ว่าผู้ที่ชาระไม่ไม่ไม่สนใจรือว่าอ๋อเข้าใจคืออย่างนี้นะ ถ้าเราดูอย่างนี้เออตรงนี้ดีแล้วถามปัญหาตรงนี้เนาะแม่อาจจะยาวนิดนึงไปเลยนะถ้าถามปัญหาตรงนี้เราต้องดูที่ตั้งเออไปดูในทิฏฐิกถาในปฏิสัมพิธามักทิฏฐิกถาในปฏิสัมพิธามักเนี่ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเขาว่าท่านใช้คําว่าตีนิสตังเนี่ย แปลว่าอะไรตีนี้สตังแปลว่าอะไรแปลว่าเท่าไหร่ตีนี้สตังแปลว่าสามร้อยสามร้อยคําว่าตีนี้สตังที่ว่าสามร้อยเนี่ยถามว่าที่ตั้งที่ตั้งของมิจฉาทิถิสมัยความบอกว่า ปัจใจที่จะทำให้ตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยเข้าไปตั้งแล้วอาศัยแล้วเกิดขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะสิบสองตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสยงกิริยสัมผัสได้ทามาลงเอสิถามบอกว่าเราดูแค่ถึงนี้ก็รู้แล้วก็ยังไปอีกเยอะเลยอะเวทนาวิญญาณหกพัดธสหก จากขุ่เวตนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกเยอะสรุปก็คือสามร้อยอ่ะมิจฉาทิฏฐิมันตั้งได้หมดเลยอ่ะสมมติว่ารูปาไม่สมมติว่ารูปรมมา ร, ปรมณ์เป็นที่ตั้งแห่ความเข้าใจผิดได้คือทิฏฐิมันไปตั้งมันเกิดได้ว่างั้นเถอะแล้วทำไมไม่วิจัยรูปารมณ์ จากครูศาสตรเนี่ยทําไม่เข้าใจผิดได้ด้วยเพราะเป็นที่ตั้งของตนรนามนราธิปิธิอ่ะทำไมไม่วิจัยจากครูศาสตรจากคารูวิญญาณก็เป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดเป็นสาคัญว่าเราเห็นไงแล้วเป็นสําคัญว่าอย่าส ม, มุนาพรามองไปโยมเนี่ยอัตม า, มาไม่ได้อัตมาไปเข้าใจว่าอัตมาไปเห็นโยมยมันเห็นจริงที่ไหนแล้วจากคารูวิญญาณเห็นรูปใช่ไหมท่านต้องวิจัยรูปด้วยวิจัยจากครูศาสตรด้วย วิจัยจะคุณญาณด้วยวิจัยเวทนาด้วยวิจัยผัสสะด้วยวิจัยตัณหาด้วยคืออะไรที่เป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดท่านในวิจัยถ้าไปจํากัดที่ซะนะ่ะมันมันเหมือนว่าที่ตรงนี้มันก็เข้าใจผิดได้แล้วมันเข้าใจผิดจริงๆด้วยนะเนี่ยพระเจ้าก็คุณต้องวิจัยนี่เห็นโทษตรงนี้อตตาหาเกิดที่ไหนก็ให้วิจัยที่ตรงนั้นสมมติว่ามองทีไรก็ชอบทุกทีอะ มองที่ไรก็ชอบวิธีดอกไม้เนี่ยจะทํายังไงถึงจะไม่ชอบจะทําไงจะเห็นความเป็นจริงของดอกไม้นะ้ก็เอาสีมาวิจัยเลยเพราะสีนี่เกิดจากดินน้ำใบลมใชไหมเอาดินน้ําไบลมเที่ยงไหมเอาสีจะเที่ยงยังไ ง, งนี่เป็นต้นเห็ไหมนัม้นต้องเอามาวิจัยไม่วิจัยได้งไงล่ะนี่ไปบอกว่าให้ให้รู้าาเฉพาะน้ำอันนี้อันนี้ถึ้งบอกว่าถูกไหมถูกแต่ไม่หมด เข้าใจใช่ไหมคำสอนของคุณเ น, น่ยถูกแต่ไม่หมดเขาเรียกไม่จบกระ บ, บวนการที่พระบรมศาสดาส อ, สอนเลยแล้วก็บอกเขาแบบนี้ถ้าบอกงนี้ไม่ขัดแยง้งใช่ไหมการการเห็นการได้ยินเนี่มันก็ต้องมีระยะ ด, ด้วยอ๋อนั่นแน่นอนแต่ว่าจริงๆก็คือว่าความเข้าใจผิดนี่แหละที่ต้องการละละความเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้เห็นกับว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็น ที่เป็นสีนะเป็นสำคัว่าเห็นสาเห็นบุคคลไปสกนี้ก็ต้องไปวิจัยจนเกิดความละคลายถ่ายถอนในสิ่งเดิมๆนันซึ่งบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราศึกษาคำสอนให้ชัดเราจะเห็นเลยว่าการศึกษาแล้วมีอยู่ตั้งสามร้อยมุมเนี่ยแต่เอามาให้กำหนดแค่มุมเดียวเนี่ยไม่พอแล้วที่เร า, าต้องการยกหยุใช่ไหมคือ มันมีตั้งเป็นเยอะแยะไปหมดแต่เราให้มากําหนดแค่มุมใดมุมหนึ่งอันนี้ต้องไปตอบพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระบรมศ า, ศาสดาบอกแบบนี้แต่ทําไมสาวกคงท่านบอกแบบนี้อันนี้ก็ต้องต้องตอบพระพุทธเจ้าใช่ไหเพราะพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเราในฐานะเป็นสาวกก็ต้องตามท่านต้องตามท่านดีิงๆถ้าลองไปศึกษาให้ดีๆเราจะรู้ว่าเออเป็นอย่างไนเราไม่ ถ้าต้องบอกว่าเราเนี่ยต้องทำเหมือนไม้ไผ่องค์ของไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็ต้องลู่ตามลมเนี่ยถ้าไม้ไผ่อันไหนต้านลมไม้ไผ่นั้นหักนะไม้ไผ่ต้องลู่ตามลมสาวกพระเจ้าต้องลู่ตามคําสอนพระเจ้า ว, ว่างให้ตามท่า น, นแค่นั้นจบถ้าเราไปต้านต้านไม่อยู่หรอกต้องไปยืนเพ่งเอาตาเพ่งดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์หมดก่อนหรือตาบอดก่อนนี่เหมือนกัน เราไม่มียานอย่างรู้เลยอย่าไปต้านคําสอนพระเจ้าถ้าต้านและทาดแน่นอนเราจะประสบทุกตลอดกาลนานเนเื่งนี้พระเาจาใช้คําว่าดูก่อนโมคฆะบุรุษทําไมเธอจึงถามทําไมเธอจึงสอนเลยนะหรือบอกเลยนะให้ถอนความเห็นนั้นเสียถ้าไม่ถอนนะเธอจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากแล้วจะประสบทุกตลอดกาลนานเ น, นื้อหินก็ต้องถอน ถ้าเข้าใจผิดในคําสอนพระเจ้าต้องรีบถอนนะถ้าเรียนรู้ว่าอื่นในคําสอนเก่านี้จริงๆต้องรีบถอนถ้าไม่ถอนไปสมาทานเราจะเสียหายนะเพราะเรากลายจะเป็นผู้ที่ค้านผู้ไดเจ้าเองใช่นะต้องต้องชัดเลยเพราะถ้าเราไปบอกไปแล้วมันก็จะไปกันใหญ่ก็กลายเป็นคือออย่างเราเราท่านทั้งหลายจริไม่ค่อยมีโอกาสได้พนดว่าใช่ไหมคนที่เป็นครูทั้งหลายต้องต้องระวังยังไง นอกจากเป็นครูแล้วต้องระวังนะตรงเนี้นะต้องระวังเลยเวลาไปกล่าวบอกอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเกิดไปผิดก ouais ็เหมือนที่เหมือนที่เหมือนที่ท่านอาจารย์โชอาจารย์สัทธรรมโชติกาศที่ท่านเล่าเรื่องพระถิลาพม่าแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับที่หนังสือพิมพ์อังกฤษเขาประคมข่าวว่าจะเกิดจะร้อยปีมาแล้วนี่สมัยยุคพม่าเนี่ที่ว่ามีพระไปปฏิบัติเนี่ย จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งอายุท่านหกสิกว่าแล้วท่านเป็นอาจารย์แต่ฉานในปริยัติมากต่ออกมาท่านก็ทิ้งท่านต้องการจะเข้าป่าปฏิบัติะที่ตรงนั้นนะทีนี้พระราชาในยุคนั้นมีพระราชามาหากษัตริย์แล้วมีพระพบุบรมรักเออบางทีพระราชนีแล้วก็พระบุบมวงศาดวงศสทัทธาท่านก็มาก็ไปหากับย่าการโรคท่านจะถวายถอายประชัยนื้อกับย่าการโรคก็คือวัยวยากรก็รับไปกระท่านก็นรับไปพอไปถึงบนหน้าผาบนภูเขา ท่านก็บอกว่าเออก็ถามกับา ก, ากิยกาโรกท่านบอกว่าเออพระราชาถาวายอะไรมาผม อ, ออมเป็นเงินท่านบอกเอาใส่ถุงแล้วก็ให้กับพิยากาโรกยืนอยู่หน้าผาแล้วก็หมุนหลับตาแล้วหมุนแล้วโ ย, โยโนทิ้งแล้วท่านก็บอกว่าพุทธเจ้าประทานเงินให้กับกระมาแล้วก็เงยบาทไเงยคืนเงินอยูน่นั้ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ถุงนั้นแล้วแล้ท่านก็ไปไปฏิบัติทีนี้ ในขณะที่ปฏิบัตินี่ลูกศิษย์ทุ่งท่านอยู่อีลูกอีกเขาอีลูกหนึ่งชื่ออูเขมาเลยก็มาเปะนะทุกวันทุกวันเดินมาตอนเย็นก็กลับตอนวันก็มามาคอยดีบดีบให้สองสามชั่วโมงก็กลับทําอยู่อย่างงี้นะมีวันหนึ่งก็เกิดฝนตั้งเท้ามาท่านก็บอกเออทีท่านอูเขมาต้องดีบกลับนะเพราะงั้นนะฝนตกแล้วฝนทำท่าจะตกแล้วก็เดินไปส่งลูกศิษย์ที่นาทำแล้วท่านก็เดิน รีบเดินไวๆนะเดี๋ยวเปียก่กว่าไงแล้วนก็หันกลับก็ความเป็นห่วงลูกศิษย์ก็หันกลับไปดูเอา้าลูกศิษย์ไม่ได้เดินแล้วเหาะเนี่ยนะท่านก็อุทานอูย้ยท่านเดียมาเก่งยิงปีเก่ง ๆ, ๆ, ๆนะเขา้านะครับว่าพอวันต่อมามาก็ถามเออเนี่ไปได้อพินญาได้สมาบัตเต็มอะไรจะบอาก็ได้มันสองปีที่แล้วอ่าไงเออแต่ท่านได้เดินวิปัสสนาตรงไหม ใช่ไหมเดินอยู่ลูกศิษยก็กำลังเดินอยู่เป็นการเดินที่บัดนาโอ้ยท่านเก่งจริงๆรเงียบชื่นชมในส่วนจริงท่านก็ใครเออเรือบัตดแล้วอยู่ต่อมาท่านอาจาร ย, าย์ใหญ่นั่นเนี่ยได้บรรลุเป็นพระหลานอยู่แต่ท่านเดินสายบัด น, นาอยู่เยอนะได้บรรลุที่อยู่ต่อมาเนี่ยตอนนั้นก็มีคนอยากไปให้ท่านสอนท่านก็สอนสอนีสอน่สุทธิมรรคแนวทางการปฏนะิบัติเนี่ยนะสอนสอนสตรีประธานเนี่ย พอย่ๆอๆอกษรนี่แล้วต่อมาก็พอท่านจะมรณาภาพท่านจะบปนิพพานท่านก็เรียกลูกศิษ์เรียกเลยเนยท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายบอกว่าเราเนี่ยเหมือนการเข้ามาในถ้ำเพื่อขุดทองเรารู้จักลายแทงเข้าใจใช่ไหมนั้นลายแทงเราต้องชัดเจนแล้วก็เดินตามลายแทงเพื่อจะไปขุดถ้ําบบนี้อ่ะ เออเม่อจะเข้าไปในถ้าขุดทองนะเข้าไปพระเจะขุดทองอ่ะเข้าไปในถ้ำพระจ้ขุดทองบัตนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยขุดทองพบแล้วเดินตามลายแทงนั้นขุดทองพบแล้วท่านอย่าประมาทพราะท่านกล่าวเลยเบ็เสร็จแล้วท่านก็นั่งเข้ากรรมฐานปรินิพานเนี่ยอันนี้มันเกิดมายุคเรานี่เองเห็นไหมว่าจริงๆปริยัติเนี่ย ค, คือคือลายแทงนะก็คือลายแทงที่อรมาจะโ อ, อมาบ่อยๆท่าปริยัติต้องตรงต้องชัด นันปริยัติก็คือรายแทงนี่แหละต้องเดินตามลายแทงไปเพื่อจะไปขุดทั้งนี้ไม่เจอทองอริยมรรคก็เหมือนกับทองคำสวัสดีดาวปริมรรคเป็นต้นฉะนั้นถ้าปริยัตด้วยคําสอนไม่ไม่ชาต์ถ้เข้าใจคําสอนไม่ดีเนี่ยจะเดินสเปสสปะแล้วก็ขุดไม่เจอใช่ไหมจชะนี่ก็เป็นเรื่องหน้าคิดว่าเออตรงนี้เป็นคําสอนดีเขาเป็นกันอย่างนี้เท่งนั้นแหละถ้าอย่างนั้นก็สเปสสป ะ, ะ, ปะใช่ไหมฮะใช่ใช่นั่นแหละ ปริยัต ก, ก็คือตัวลายแทงนี่แหละก็คือการเดินเนยในขณะที่ฟังไปแล้วก็ชื่อเราเดินนะเนี่ยในขณะที่ฟังเนี่ยสีนสมาธิปัญญาเกิดหรือหรือสมาธิถี่สม อ, อยามาสมาสติที่เกิดขึ้นจากการฟังนั่นแหละกําลังเดินนะเนี่ยจับประเด็นถูบอ่อยนึอ่ะสวดมนต์น